ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> <c oughs> บัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาทุทุกคน เอาขาขวาทับขาซ้ า, ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงหลับตาตั้งใจภาวนาพุทโธในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ให้จิตใจคิดฟุ่งซ่านไปภายนอก สิ่งใดมันล่วงเลยมาแล้วซึ่งเป็นอดีตการกอให้มันล่วงเลยไปไม่ต้องไปคิดนึกเอามาปรุงแต่งในเวลาภาวนาในเวลาปัจจุบันนี้ส่วนดีชั่วอะไรซึ่งมันยังอยู่ข้างหน้าอนาคตการ ก็ยกให้เป็นเรื่องของอนาคตข้างหน้าโน้นไม่ต้องไปปรุงแต่งเอามาคิดลึกในเวลานี้เวลาปัจจุบันเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะเป็นเวลาฟังธรรมเป็นเวลาปฏิบัติบูบชาภาวนา เนกบริกรรมพุทธโธในใจพุทโธพุท ธ, ททธชื่อว่าผู้รู้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองผู้ละกีเลสความโกรธความโลภความหลงได้หมดสิน้นจึงได้นามว่าพุทธโธ พุทโธพุทธะนี้เป็นความหมายประพฤติยาวละกิเลสได้หมดสิน้นละกิเลสพร้อมทางวาสนาหรือว่าละกิเลสได้ดีที่สุดไม่มีใครในโลกนี้ทั้งเทวดาและมาเทวดาอินพรหม จะตรัสสรู้เหมือนพระพุท ธ, ธเจ้าไม่มีได้แค่ว่าฟังธรำคําสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าประพฤติตามปฏิบัติตามจึงได้ความรู้ความเข้าใจจึงได้บรรลุมรรคผลตามพระพุท ธ, ธเจ้าไปวิชาปัญญา ความสามารถาฐานที่จะเอาชนะกิเลสในจิตในใจในตัวของคนเราแต่ละบุคคล น, นั่น <c oughs> เป็นสิ่งสำคัญอะไรไม่สำคัญกับเอาชนะกิเลสในหัวใจหรือว่าละกิเลสในใจให้ออกไปได้ ไม่ให้กิเลสความโกรธมันมาตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่ในหัวใจไม่ยอมให้กิเลสความโลภโลภะจิตมาตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ในหัวใจไม่ยอมให้กิเลสความหลงมาตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งวัดตั้งวาอยู่ในหัวใจดวงจิต ด, ดวงใจจะต้องตั้งขึ้นมาในหลักปัจจุบัน เลิกได้ละได้ภาวนาได้ก็ได้ในปัจจุบันจะไปได้ในอดีตได้ในอนาคตไม่มีพระพุทธเจา้าบำเพ็ญบา ร, รมีมาสีอสงไขยเสนมาหากัปพระองค์ก็บำเพ็ญในปัจจุบันในชาตินั่นๆในภพนั่นๆ ใ, ในเวลานั่นๆ บุญบารมีก็แก่กล้าเต็มขึ้นมาโดยลำดับผลที่สุดก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้มาตรัสลู้ในโลกเราเกิดมาก็ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นวัดวาศาสานาพระภิกษุสงฆ์ สามมนเนผ้าขาวนางชีแสดงตัวเป็นนักบุตรเมื่อเราเห็นหลักฐานพยานอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอย่างอื่นที่จะมาสงสัยอีกเพราะหลักฐานนั้นย่อมเป็นเครื่องแสดงถึงความจริงของจริง ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรล ւ ในโลกพระพุทธลูกก็ไม่มีพระสงฆ์สาวกก็ไม่มีนักบวชนักบ้านที่ปฏิบัติภาวนาก็ไม่มีแต่นี่มันมีปรากฏให้เห็นมีอยู่ทั่วไป อย่างเมืองไทยประเทศไทยทั้งประเทศนี่แหละยมีสิ่งที่แปลกประหลาดกว่าประเทศอื่นๆประเทศอื่นไม่มีประเทศไทยมีเกี่ยวโยงถึงกระพุทธศาสนาพระพุทธลูปนั้นมีอยู่ในประเทศไทย แต่ว่าถ้ามีอยู่ประเทศอื่นอย่างว่าประเทศอินเดียเมื่อสมัยศาสนาอิสลามเข้ามาเขาทุบเขาต่อยเขาตีคอหักแขนหักขาหักจะจมูกปากหน้าตาไม่เป็นหน้าดูละตกมาสมัยนี้รัฐบาลอินเดียก็สร้างพิพิธภัณฑ์ไว้เก็บมาไว้ ทั้งแตกแตกหักหักอย่างนั้นแหละแต่พระพุทธลูกในเมืองไทยก้าวหน้าไปสมัยโบราณกรุงศรีอยุธยากรุงเก่าส่วนมากก็มักจะมีพระศิลาแรงพระหิน หินแดงบ้างหินคนทรายบ้างแกะสลักเมื่อตกมาสมัยนี้หล่อเป็นทองใหญ่โตมาโหรานเป็นปางต่างๆให้ปรากฏการอยู่ ประเทศอื่นเมืองอื่นมันไม่มีหาดูได้ยากหรืออย่างว่าผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดผ้านุ่งห่มของนักบวชทงชัยพระอรหันต์ผ้าย้อมฝาดย่างที่เราเห็นไปวัดก็เยอะแย ะ, เ, ยะเต็มอยู่ในวัดผ้าเหลืองนี่ เข้าไปในตลาดลาดลีผ้าเหลืองเต็มไปหมดมีขายในตลาดเมืองอินเดียไม่ต้องไปหามันไม่มีเมืองไทยเรามีมันแสดงให้เห็นว่า เมืองไทยเนะ่เป็นเมืองพุทธาศาสนาอย่างแท้จริงอัฐะบริขานเครื่องบวชเนนบวชพระมีสมัยนี้ยังมีความเจริญก้าวหน้าไปถึงว่ามีกฎกรรมฐานแต่ก่อนยังไม่มีกฎกรรมฐาน กฎกรรมฐานมีสองแบบแบบในที่แจ้งที่ลง่งแบบแขวนต้นไม้แต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีแต่ก่อนนั้นทำพอใช้เอาพอใช้แต่ละองค์ก็พอแล้วสมัยนี้ไม่ไม่เฉพาะใช่ทำขายมีผู้ซื้อ มันแสดงถึงว่าสิ่งที่เมืองอื่นประเทศอื่นไม่มีมเมืองไทยเรามีนักบวชทั้งหลายก็เรียกว่าศียสละทุกสิ่งทุกอย่างใกล้เข้าพรรษาก็มีนักบวชตั้งใจบวช แต่ว่าบวชเราก็ตั้งใจให้ดีการบวชนั้นให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตตาเจ้าทั้งหลายในขั้งพุทธการให้ใจเรามั่นคงเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าบวชบวชศึกๆึกศึกศึ ก, กบวชบวช ไม่ได้ทำศาสนาให้เสื่อมบวชก็ให้ดูพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตจิตใจโปรดสัตว์อยู่พระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดจนนิพพานลูกแตกนามดับ ท่านไม่ได้ศึกหาลาเพศอย่างพระสงฆ์สามเณรสมัยนี้จึงจำเป็นต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เรานึกว่าพุทธโธพุทธโธพุทธะจิตใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีจิตใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลส ทางตาได้แก่รูปกิเลธทางหูได้แก่เสียงกิเลธทางจมูกได้แก่กลิ่นกิเลธทางลิ้นได้แก่การกินกิเลธทางกายได้แก่โผภทภพะสิ่งที่มาถูกต้องร่างกายกิเลธทางใจได้แก่ใจฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบระ ง, งับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว จงรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจพุทธโธพระพุทธเจ้านี่เป็นที่พึ่งของเรานัตถิเมสลณังอันยังพุทธโธเมสลณังวลังเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจริงๆเมื่อพระพุทธเจ้าจเสด็จออกบรรพชา ได้หกพันสาจึงได้ตรัสลูหกพันสาท่านก็ไม่ไวหวัหวนพลันทึงภาวนาทำความเพียรไม่ท้อถอยจนได้ตรัสลูเป็นกพุพติเจ้าก็ยิ่ง แกกล้าสามารถขึ้นไปตัดได้ขาดจริงๆไม่ใช่อย่างเพียงแต่ว่าบวชเป็นประเพณีเวลาเข้าพรรษาแล้วบวชออกพรรษาแล้วสึกอันนี้เป็ น, ป, นประเพณีเห็นเพิ่นบวชก็บวชเห็นเป็นศึกก็ศึก ไม่แน่นอนกลองในใจของเราทุกคนไม่ว่าบวชขาวบวชเหลืองบวชทีบวชพระบวชเนเหมือนกันหมดก่อนที่จะบวชทุกองค์ทุกคนท่านให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของของศาสนาให้ระลึกถึงพระธรรม ให้ละลึกถึงพระสงค์ที่มีหลักวิพุทธทางธรรมังสังขังมีบททุติตาติคือให้ถึงคุณพระพุทธเจ้าจริงๆดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าว่าท่านบวชมาแล้วท่านทำอะไร ท่านปฏิบัติอะไรท่านละกิเลสกองไหนแล้วผลที่สุดสุดท้ายท่านได้อะไรรู้อะไรเข้าใจอะไรเราผู้มาบวชมานั่งสมาธิภาวนานี่ยนะเรียกว่าบวชกายแล้วพอเป็นพิธีการต้องบวชใจด้วยตนเอง จิตใจของเราทุกคนนั่นไม่ใช่อุปชาอาจารย์บวชให้เป็นเรื่องจิตใจของตัวเองบวชคือพินิษพิจารณาให้เห็นแจ้งในทุกข์ทุกสมุทัยนนโลธมักเมื่อจิตใจเห็นทุกเห็นโทษจิตใจมันก็สงบรลงงับภาวนาได้ ธาจิเจตไม่เห็นทุกข์มันไปเห็นว่าเป็นความสุขก็อยู่ไม่ได้อุนหวายจะหาเอาแต่ความสุขภายนอกทั้งๆ ท, ที่ทุกคนมันก็ผ่านกันมาความสุขภายนอกนั้นไม่ยั่งยืนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกข์ไม่เที่ยง อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเวลาภาว น, นาเวลาบวชเรียนเขียนอ่านประพฤติปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญกุศลจะต้องรวมกำลังตั้งใจลงไปให้มั่นคงหนักแน่น เอาจนถึงขั้นบวชได้ตลอดชีวิตเอาตายว่าทาไม่ตายไม่ยอมไม่ใช่บวชฆ่าให้มันตายบวชนั่งภาวนาปฏิบัติบูช า, <c oughs> าอันตายและเกิดมันเป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของโลกประขัน เมื่อมันแกะชะลาไปแลละมันก็ตายแล้วแกหรือไม่แกมันก็ตายได้โลกประขันนี้มีภัยอันตรายมากเมื่อถึงเวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาท่านจึงให้ตั้งสัจจะอธิฐานใจของตนลงไป ว่าจะตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งกายทั้งลูกประขันนี้ด้วยทั้งวาจาวาจาก็ไม่พูดในสิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์พูดกล่าวแต่ในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ใจก็ไม่คิดฟุ่งซ่านไปที่อื่น เนกเจริญภาวนาพุทธโธอยู่ในใจมาจิตใจให้อยู่ภายในให้สังโมประงับตั้งมัน่นจริงๆไม่ยอมให้อำนาจฝายต่ำเข้ามาทับถมจิตใจมันจะ ลุกขึ้นภาวนาจะต้องมีเหตุปัจจัยบ้างมีพระขั่งกันโอ้นองค์หนึ่งท่านเดินภาวนาทุดงไปไปถึงบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งมีพวกพ่อข้าพา น, นิชผ์านมาแต่มี คนหนึ่งเป็นอุบาสกมีศรัทธาเมื่อเห็นท่านองค์นั่นเข้ามาบินทบาทในบ้านในตลาดเกิดศรัทธาขอนมนมมต์จะตักบาตรจะใส่บาตรให้ถวายอขอนมนมมต์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ยืนอยู่เสียก่อน ถ้าไม่นิมนท์ท่านก็จะเดินเรื่อยๆจะหาท่านไม่พบมน์ไว้ยืนรอโยมจะหาซื้ออาหารและบิณฑบาตถาวายเท่านี้แหละจะไม่ให้อดหลวงพี่หลวงพ่อกับเมตตายืนภาวนาพุทโธอยู่ แกก็วิ่งเต้นเข้าออกในตลาดจัดแจงอะไรต่อมีอะไรจะตักบาทเป็นการใหญ่ซื้อนั่นมาก็ยังไม่พอใจซื้อยังนี่มาก็ยังไม่พอใจพระท่านก็มองเห็นโยมว่าเอ ตาคนนี้ถ้าจะเอาจนหมดกระเป๋าล้วมั้งเทกระเป๋าแล้วเนี่ยซื้อไม่ถอยตักบาทได้แล้วก็มาใส่บาทยังมนต์ต่ออยู่เอาจนเต็มบาทเงินที่จะไปค่าขายเงินที่จะไปใช้ครา้างหน้าเพื่อนยอมเสียสลักเอาบุญลูกเดียว หลวงพ่อองค์นั่นก็เวลานั้นยังไม่ได้เป็นพระอาราหาันตายังเป็นพระปุทุชนอยู่เห็นยอมคนนั่นทำจริงๆเอาจริงๆ จ, จนหมดสตางค์ก็หมดยกมาถวายจนหมดจนสิ้นอาหารการบริโภค ท่านก็เกิดศรัทธาขึ้นมาแหละเนี่ยเอเรานี่นะ่ะภาวนามาก็หลายปีบวชมาก็หลายปีแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลแม่โสดาก็ยังไม่สำเร็จสำเร็จแต่โสดาขวดก็เกิดมานะขึ้นมาบะเนี่ยตั้งใจ เอาตอนนี้ไปถ้าหากว่าเราทำความเพียรนะละกิเลสในจิตในใจไม่หมดไม่สิ้นจะไม่ต้องนอนมันทนะ่นวาหลังจากได้อาหารลบินทบาทแล้วท่านก็ไปสู่สถานที่มีน้ำท่าพอจะฉันได้ก็ฉันเสร็จเรียบร้อยเหลือนั่นก็ทานคนทุกไลอนณาถาไปตามเรื่อง ท่านก็ตั้งอกตั้งใจเดินจงกรมภาวนาทั้งสีอิริยาบถจะไม่ให้พลั้งเลอตั้งใจขึ้นมาจนตั้งใจได้สุดขีดตายเป็นตายถ่านละกิเลสความโกรธในใจไม่หมดมันตายเสียดีกว่า ละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจไม่หมดตายเสียดีกว่าละความหลงในจิตในใจไม่ได้ตายเสียดีกว่าจะอยู่ไปทำไมตั้งใจอย่างนั้นในคืนวันนั้นแหละก็เลยได้สำเร็จละกิเลสความโกรธความโลภความหลงออกได้หมดในหัวใจของท่าน เละได้เห็นศรัทธาญาติโยมคนนั้นทำบุญจนหมดเมื่อหมดตัวเรายังจะมาห่วงกิเลสอยู่ทำไมโลกขึ้นภาวนาเอาจนละกิเลสได้หมดสิน้นนั่นแล้วคือว่าจิตใจคนเรานั้นศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสนั้น ไม้แส้มันหมดเท่าที่เราเป็นอยู่นี้ถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏบิบัติบูชาอยู่เสมอๆไม่ให้ขาดความเจริญในจิตในใจมันก็เจริญขึ้นโดยลำดับจนถึงขั้นเลิกละตัดปล่อยวางกิเลสลาคโทสะโมหะได้เด็ดขาด เอาจริงๆก็ต้องสำเร็จได้เราทุกขณะทุกเวลาก็ย่าได้มัวประมาทตั้งใจภาวนาอยู่พุทธโธในใจระลึกถึงคุณประพุทธิจักระลึกองค์菩าสดาสัมมาสัมพุทธิจา้าผู้บวชแล้วไม่ศึกหาหลาภเพศ มีจิตใจสามารถอาถรรพ์จริงๆความเน็ดเนยเมื่อหิวไม่มายึดมั่นถือมั่นตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาจริงๆจนเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะนี้ได้หมดพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าทั้งหลายเหมือนกัน เมื่อละกีเลศหมดสิ้นแล้วก็แจ้งในอกในใจแจ้งกายแจ้งวาจาแจ้งจิตแจ้งใจความวุ่นวายในจิตใจของพระก็ไม่มีมีแต่การนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาในจิตในใจด้วยไปจนกว่าชีวิตจะแตกดับถ้าชีวิตยังไม่แตกไม่ดับ ท่านก็ตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาอย่างนั้นเลื่อยไปไม่ได้ไปอิงอาศัยว่าคนโน้นคนนี้ท่านอาศัยจิตใจของท่านจริงๆเรีย ว, ว่าตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาไม่ต้องไปร้องขอรอท่าใครอีก เลิกบริกรรมภาวนากับเลึกจนมันแน่วแน่เด็ดขาดสามารถอดฐานจริงจริงรวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมัน่นไม่กลัวเน็ดไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวเมื่อยกลัวหิวขนาดปวดแข้งปวดขามือนซานี่มันเรื่องขีประโูปูเข็ม ไม่หวั่นไหวมันเจ็บท่านก็ไม่ไปยึดถือว่าท่านเจ็บมือแข้งมืนขาปวดเข่าปวดอะไรก็ไม่ไปยึดว่าตัวเราปวดธาตุดินธาตุน้ำเขาปวดธาตุดินเขาเจ็บเขาไข้ธาตุน้ำเขาเจ็บเขาปวด ธาตุไฟเขาเจ็บปวดทุกขเวทนาธาตุลมเขาเจ็บปวดทุกขเวทนาจ็บใจของพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวิเจ้าทั้งหลายท่านไม่ไปหลงไหลในลูกในนามในกายในจิตในจิตในใจแปลว่าท่านเห็นแจ้งรู้แจ้งว่า ธรรมดาลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของหลักธรรมะที่ว่าอนิจจังความไม่เที่ยงมีอยู่ในโลกนี้ทุกขังความเป็นทุกข์ เมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละอนัตตาสิ่งที่เราว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าความจริงมันก็ไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราสักอย่างสักประการจิตของพระองค์ก็รวมสงบลงไป ไม่มาลุ่มหลงมัวเมาไปตามตาหูจมูกลื่อนกายใจอีกต่อไปสงบตั้งมั่นไม่หันเหไปตามอำนาจกิเลสพุทโธพ ร, ระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนั่นเองพระแต่ก่อนท่านกับภาวนาอยู่ในใจ ท่านไม่โลเลลังเลสงสัยประการใดมนุษย์ในสมัยข้างกันโอนนั้นไม่ว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอยู่ในคารวาหญาตโยมท่านก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้หมดเพราะท่านตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติภาวนาจริงๆไม่ใช่เพียงแต่พอเป็นพิธีการหรือทำไปเพียงให้เพื่อนมนุษย์เห็นว่าเราก็ตั้งใจภาวนาเหมือนกันแต่จิตใจภายในมันไม่นักแน่นพอ ไม่ตั้งมั่นเหมือนแผ่นดินจิตใจพระพุทธเจ้าจิตใจพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนั้นมีจิตใจอันแน่นหนาถาวรเหมือนแผ่นดินไม่วันไหวเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตาม ท่านไม่หวั่นไหวร้อนท่านก็ไม่หวั่นไหวหนาวท่านก็ไม่หวั่นไหวท่านภาวนาลูกเดียวตลอดทั้งฤดูแลววันนั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาตั้งใจตั้งความเพียรอยู่ในใจของตัวเอง ไม่ได้วิตกวิจารณ์ว่าคนนั้นองค์นั้นภูนั้นไม่ภาวนาเราก็ไม่ภาวนาไม่เอาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจขึ้นมาให้ใจมันตั้งไม่ให้ใจมันล้มลุกคุกขานไม่อามาบนว่ามันร้อนหนาวสบายไม่สบายบนมันก็เท่าเก่า ไม่มีอะไรดีขึ้นมาถ้าเราภาวนาอยู่พุทธโธคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในดวงใจนามจิตนามใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ได้จิวัดเจริญงอกงามในสัตธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้า คือท่านไม่ย่อท่อในการปฏิบัติบูบชาภาวนาละกิเลสตราบใดกิเลสลาคะโทซาโมหะยังมีท่านไม่ถอยความพีนแม้มันจะเน็ตเหนยเมื่อยหิวขึ้นมาบรรเทาเบา บ, า, บางไปตั้งใจภาวนาต่อเนื่อง ทำให้มันต่อเนื่องกันไปติดต่อกันไปไม่ขาดจังหวะไม่ขาดวักตอนเยตใจมันก็มีกำลังทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตท้งใจจะต้องทําให้ต่อเนื่อง อย่างผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเมื่อเกิดความเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้เลื่อมใสในคุณพระต่อไปจนได้มาบวชในพุทธศาสนาก็ยังศรัทธาความเชื่อในจิตในใจของตัวเองครับมันหนักแน่นขึ้นไปโดยลำดับ ไม่กลัวเนตเนืยเมื่อหิวประการใดการนั่งสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้านั่นเชื่อเป็นผู้มีความภาคความเพียรความอดความทนจึงมีตำนานเขียนไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเข้าป่าเข้าดงนั่นอดเข้าได้ตั้งสี่สิบเก้าวันไม่ตาย นั่นก็คือสแสดงออกซึ่งจิตใจของพระพุทธเจ้าสี่สิบเก้าวันทำไมไม่แตกไม่ตายเรากินข้าวเต็มท้องกลัวแต่มันตายมันไม่ตายง่ายๆ า, ามันตายมันก็ตายตั้งแต่อยู่ท้องแม่ไม่เห็นฟ้าเห็นดินมันยังไม่ตาย เกิดมาแล้วหายใจอยู่จะไปกลัวตายนั่งภาวนาเข้าปฏิบัติบูชายาได้มีความท้อถอยจิตใจให้มีความเข้มแข็งแข็งแก่งไม่ยอมให้ความขี้เศร้าเหงานอนเข้ามาทับถมหมายถึงว่าจิตใจ จิตใจกล้าจิตใจสามารถอาหารร่างกายสังขารมันก็เลยสามารถอาถารไปตามจิตจิตมันกล้ากายวาจามันก็กล้าจิตสงบกายวาจามันแก่สงบจิตมันละกิเลสความโกรธได้กายวาจามันก็ละได้ เหตนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของเราทารั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจตั้งไปจนถึงไหนตั้งไปภาวนาไปทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเอาจนละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาด กิเลสความโกรธมันมีอยู่ที่ไหนตามละตามฆ่ามันหมดกิเลสความโลภโลภะจิตมันอยู่ที่ไหนตามฆ่าตามทำลายหมดกิเลสความหลงอยู่ที่ไหนตามเข้าไปฆ่าไปทำลายจนกิเลสลาคะไม่มีในจิตในใจกิเลสโทสะไม่มีในใจกิเลสโมหะไม่มีในใจ เหลืออยู่แต่ใจที่สงบตั้งมัน่นมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความสามารถอานหนัไม่กลัวตายมันจะตายในเวลานั่งก็ช่างมันจะตายเวลายืนก็ช่างมันตายเวลาเดินไปไหนมาไหนก็ช่างมัน จิตใจให้มันได้ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจให้มันมีความเข้มแข็งสามะอาถานอยู่ในใจในตัวคนเราเมื่อใจเป็นอย่างไรรูปร่างกายมันก็เป็นไปอย่างนั้นเมื่อจิตใจนี้มั่นคงอยู่ในธรรมปฏิบัติ ภาวนาทาใจให้สงบตั้งมั่นได้แล้วก็ภาวนาเพื่อละกิเลสความโกรธโกรธหลงจิตมันพาให้ลุ่มหลงมัวเมามาจนชำละแก้ไขได้หมดสิ้นจิตใจก็ไม่อ่อนแอท้อแท่ไม่กลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตายมันไม่ตายหรอกถ้าใครภาวนารักษาศีล ตายเอาตายเอาจะมีคนเหลือในโลกหรือทำไมคนยังเต็มโลกอยู่คือมันไม่ตายแต่มันหลอกลวงกิเลสมันหลอกลวงพยามาลมันหลอกลวงหลอกลวงให้ปูธุชนคนไม่ตั้งใจมาติดโย่ข้องอยู่มาผัวพันอยู่ พระพุทธเจ้าท่านไม่พัวพันอีกต่อไปพระองค์ตัดได้ขาดละได้ขาดแล้วก็เป็นอันว่าขาดเลื่อยไปกิเลสกองไหนจะกลับมาอยู่ในจิตใจของพระพุทธเจ้าไม่มีพอมีขึ้นมาปรากฏท่านก็นละทิ้งทําลายทิ้งกิเลสก็ไม่มาอยู่ไม่มาดองอยู่ในหัวใจ เจ็ตใจก็มีความสามารถอาจฐานเหมือนกับว่ามองเห็นหมดทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตางหลายเจตยาได้มาลุ่มหลงมัวเมาอยกับกิเลสเหล่านี้เท่าที่เราเป็นมาแล้วในอดีตชาติมันก็พอแรงแล้วเมื่อมาถึงชาติปัจจุบันนี้เป็นชาติที่เรียกว่า สูงขึ้นสูงไม่เตี้ยไม่ต่ำไม่ใส่เตี้ยลองแลยว่าสูงขึ้นสูงขึ้นมองเห็นในจิตใจเลยมองเห็นกิเลสความโกรธมันต่ำเห็นกิเลสความโลภความอยากได้มันต่ำเตี้ยติดดินมองเห็นกิเลสความหลง ว่ามันเตีย้ยต่ำจมอยู่ในแผ่นดินเรานั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกภาวนาพุทธโธในใจจิตใจของเรายาได้มีความลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสลาคะโทสะโมหะโยกจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายใน ให้มีความกล้กลาสามารถอาหารเต็มที่ฟังแล้วก็ทำในใจละในใจสอนในใจจดจำเอาไว้นำเข้าไปปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสจนหมดใส่ได้เมื่อกิเลสหมดจา ก, กจิตใจแล้วย่อมเกิดมีเป็นความอัศจรรย์ อัศจรรย์ใจของตัวเองบุคคลผู้อื่นได้หูได้เห็นได้ยินได้ฟังก็อัศจรรย์คำว่าอัศจรรย์กิเลสมันเหนียวแน่นทำไมท่านไปเลิกมันได้ละมันได้ทำไมท่านเขี่ยมันออกไปได้ทำไมกิเลสในใจของเรามันจะไปหอไปเก็บมาไม่ต้องไปเก็บอีกแล้ว ยาโคเสียสละออกไปให้มันหมดให้จิตใจมันหมดใสจาโคเสียสละปฏินิสโคปล่อยไม่ยึดไว้ถือไว้ไม่เอามายึดในใจแล้วว่าปล่อย้มันออกไป หมดีิเอาให้ขาดให้สะบั้นหันแหละเนี่ยวันหลุดพ่นเอามันจนหลุดออกไปพ่นออกไปสิ่งใดเลิกมาแล้วละมาแล้วท่านก็ไม่เก็บมาอีกกิเลส ต, ต่างๆมันอยที่ไหนก็ฮะมันเกิดที่ไหนมันก็ดับไปที่นั้น จิตใจของเราผู้ภาวนาก็ให้มันมองทะลุผูกปง่งนั่งภาวนาให้ได้เดินจมกลมให้ได้ยังจิตใจให้ผ่องใสสะอาดให้ได้เมื่อจิตใจดวงนี้มีความเพียรความมันความขยนันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอไม่กลัวตายศีล ส, สมาธิปัญญาวิชาวิมุติ ความหลุดพ้นก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้น่ น, นฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติจนถึงทั้นละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในจิตใจให้หมดสิ้นไป ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนิอายุวัตถโกธนวัตถโกจิริวัตถโกยะสวัตถโกภาลวัตถโกวันณวัตถโกสุขวัตถโกโหตุสปะตา ทุคโลคพยาเวลาโซกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาติวินสสันตุจะเตสาสาสยะสิทธิทนางลาพังโสติภาคยังสุขังพลังสิเรายุจวันโนจะโภคังบุทีเจยะสวาสตวัตซจะอาอยู่จะชีวาชิทธิพวันตุเต ภาวะตุสับพมังคลังหลักขันตุสับปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสธีภาวนตุเตภวะตุสับพมังคลังหลักขันตุสับปเทวตาสัพพัฒมานุภาเวนะสทาโสธีภาวนตุเตภาวะตุสับพมังคลังหลักขันตุสับปเทวตาสัพสังคานุภาเวนะ สตาโสธีภาวันตุเต